ให้เริ่มที่ลมหายใจนี่แหละลมหายใจมันมีอยู่เราก็เอาความใส่ใจของเราเนี่ยมาอยู่ที่ลมหายใจมีสติอยู่กับลมหายใจมีสติที่มันอยู่ที่จมพาะหน้าเราเนี่ยแหละกับลมหายใจมีสติคอยสังเกตว่า ลมหายใจมันกระทบจมูกเราต้นจมูกกลางจมูกปลายจมูกมันชัดตรงไหนก็เอาความใส่ใจของเราเนี่ยไปตั้งดูตรงนั้นส่วนลมมันจะยาวหรือว่าลมสั้นอันนั้นก็ไม่เป็นประมาณเราไม่ได้บังคับว่าเราจะหายใจเข้า หรือว่าเราจะหายใจออกถึงเราไม่บังคับมันก็หายใจเข้าหายใจออกของมันอยู่แล้วเรามีหน้าที่แค่มีสติคอยระลึกรู้ว่านี่มันเป็นสัมผัสของลมที่มันกระทบจมูกของเราอยู่ส่วนลมมันจะเข้าเราก็ไม่ต้องไปตามมัน ลมมันจะออกเราก็ไม่ต้องไปตามมันเราก็มีแค่สติที่คอยเฝ้าดูคอยเห็นถึงสัมผัสของลมที่มันกระทบจมูกของเราแล้วก็ทำความรู้สึกตัวเอาไว้อย่าให้มันแช่เชืออไปไหนให้ความใส่ใจของเราเนี่ยมันอยู่ที่ลมหายใจให้ความใส่ใจของเรามันจดจ่อลงไป แต่ก็ไม่ได้พุ่งเข้าไปยึดไปเกาะกับลมหายใจก็แค่คอยเฝ้าดูเฝ้ารู้เอาไว้แต่สิ่งที่สำคัญก็คือความรู้สึกตัวเนี่ยอยาให้มันซึองซึมให้มันชัดลืมตาชัดยังไงหลับตาก็ให้มันชัด ให้มันชัดอยู่อย่างนั้นส่วนทํามันจะคิดเราก็ไม่ต้องไปใส่ใจความคิดอยากคิดก็คิดไปเราก็เอาความใส่ใจของเรากลับมาไว้ที่สัมผัสของลมที่มันกระทบจมูกเรามันจะได้ยินอะไรมันจะปวดหลังปวดเอว ก็ไม่ต้องไปใส่ใจมันเราก็อยู่กับลมหายใจหรือจะพุโทโธไปด้วยก็ได้แต่สิ่งที่สำคัญก็คือความรู้สึกตัวที่มันชัดความรู้สึกที่มันคอยเห็นลมอยู่ประคองให้มันชัดเอาไว้กายมันก็ส่วนหนึ่งใจมันก็ส่วนหนึ่ง มีความคิดก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งต่างหากจากสติสติที่เรามีมันก็เห็นหนั่นแหละความคิดเห็นร่างกายที่มันกำลังนั่งอยู่เห็นลมหายใจที่มันเข้าเห็นลมหายใจที่มันออกแล้วก็ไม่ต้องไปเพ่งมัน เราก็มีหน้าที่คอยดูเฉยๆนี่แหละเหมือนเวลาเราดูโทรทัศน์เราก็ไม่ได้เพ่งจนปวดแสบปวดร้อนที่ตาตาไม่ได้เขม็งไปที่จอแล้วก็นั่งสบายๆอยู่ที่โซฟานั่นแหละเราก็เห็นทีวีอยู่ข้างหน้าเราเราก็ไม่ได้เพ่งอะไรเวลาดูลมหายใจเราก็ไม่ได้เพ่งลมหายใจ สมาธิมันจะเกิดมันก็เกิดของมันผลของสมาธิมันก็มาจากการที่เรามีสติที่มันจดจอ่อสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งรู้มันอย่างต่อเนื่องอารมณ์ในใจมันก็สงบจากเรื่องอื่นมาอยู่กับอารมณ์ของการหายใจอยู่ได้พอสนใจอยู่เรื่องเดียว อารมณ์ในใจมันก็เป็นอารมณ์อันเดียวตั้งมั่นเป็นอารมณ์อันเดียวมันก็เป็นสมาธิเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความคิดที่มันจะคิดดึงใจเราออกไปจากลมหายใจเราก็ไม่ได้ใส่ใจมันอยากคิดก็คิดไปเราก็ใส่ใจอยู่กับลมหายใจของเราเนี่ยแหละ ไม่ได้ไปเพ่งมันนะไม่ได้เพ่งเพ่งมันมากๆมันก็ปวดตาปวดหัวอะไรเลยเรารู้รู้อย่างธรรมดาธรรมดานี่แหละเหมือนเรามีนอกอยู่ในในมือหนึ่งตัวเนี่ยถ้าไม่จับให้มันดีมันก็ หนีไปแต่จับกลัวมันหนีจับมันแน่นๆมากๆมันก็ตายวันนี้มันก็ต้องจับพอดีๆนั่นแหละใส่ใจแต่ไม่ได้ขึงเครียดเราก็ทําเล่นๆจะได้ไม่ต้องไปเพ่งมันแต่เราก็ไม่ใช่ว่าทําเล่นๆจนกลายเป็นบ้าไม่ได้ใส่ใจอะไรไม่ได้จริงจังอะไร ตอนฝึกมันก็ฝึกอย่างนี้แหละก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะเวลาชีวิตจริงมันก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะหรอกก็ทำแค่นี้แหละคอยมีสติย้อนกลับมาที่ลมหายใจให้มันได้ไม่ได้ปล่อยใจให้มันวิ่งไปตามสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินโดยเฉพาะความนึกคิดของเราเองนี่แหละ ในชีวิตจริงมันก็วิ่งไปทางสิ่งที่เราเห็นใจมันก็หนีไปทางสิ่งที่เราได้ยินวิ่งไปหาความคิดนึกปรุงแต่งมันก็ไปอย่างนี้แหละมันก็เหมือนกับที่เราซ้อมอยู่นี่แหละมันก็หนีไปทางความคิดบ้างหนีไปทางร่างกายบ้างาเรารู้ว่ามันหนีไปแล้ว เราก็ย้อนกลับมาตั้งความใส่ใจความสนใจใหม่ที่ลมหายใจนี่แหละแล้วก็คอยสังเกตสังเกตนะกายอันหนึ่งใจอันหนึ่งความคิดอันหนึ่งพอเราฝึกอย่างนี้ในชีวิตจริงมันก็ต้องทำอย่างนี้แหละ เราคอยมีสติอยู่เรื่อยเห็นกายเราอยู่เรื่อยเห็นใจเราอยู่เรื่อยไม่ใช่ให้ว่ากายกับเราก็เป็นอันเดียวกันันก็ไม่ใช่ถ้าเรามีสติที่มันเป็นสัมมาสติได้อย่างดีเนี่ยมันก็เห็นกายมันก็อันหนึ่งใจมันก็อันหนึ่ง กายมันเคลื่อนไหวตัวเราเป็นความรู้สึกนี่ตัวรู้ตัวสติมันคนละตัวกันนี่สติที่เรามีเห็นกายมันเคลื่อนไหวอยู่ถ้ามันอันเดียวกันความรู้สึกมันก็เป็นอันเดียวกันแต่ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นต่างหากมันก็แยกจากกันกายมันก็เป็นสิ่งที่สติมันเข้าไปรู้อยู่ ระฉะนั้นมันก็เห็นเนียว่ามันก็คนละอันกันเราก็ประคองความรู้สึกตัวของเราเนี่ยแหละให้มันเห็นอย่างนี้แหละให้มันได้คอยเห็นกายอันหนึ่งคอเห็นใจอันหนึ่งคอยเห็นความคิดอันหนึ่งมันก็ไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่านี้แหละแต่ในหนึ่งหนึ่งวันของเราเนี่ย เราทำมันบ่อยแค่ไหนแค่นั้นเองเราทำมันบ่อยขนาดไหนเราทำให้มันได้บ่อยได้ทีขนาดไหนถ้าเราอยากจะให้มันดีแต่เราทำได้น้อยอยากได้ผลดีแต่ทำน้อยมันก็ไม่สมเหตุสมผล เราบอกไม่มีเวลาทำมันใช่อย่างนั้นจริงหรือเปล่ามันสามารถทำควบคู่กันไปได้หรือเปล่าเราบอกไม่มีเวลาทำแล้วคนอื่นทำไมเขาทำได้ถ้าเราไปคุย ไปสั่งสนทนากับคนที่เขาทำดีทำได้เราจะรู้เลยว่าเขาไม่ได้แบ่งเวลาวันเวลานี้เขาจะทำเวลานี้เขาจะพักคนทำดีทำได้ทำถูกทำเป็นเขาก็ทำคู่คู่คนไปนั่นแหละภายนอกก็ภายนอกภายในมันก็ภายในแต่มันไปด้วยกันได้มันไปคู่กันได้ จะบอกว่าไม่มีเวลาถ้าเราทำให้มันเป็นจังหวะเวลาจังหวะที่เราไม่มีเวลานลั่นแหละความทุกข์มันก็ย่ำเยีเราเหตุของความทุกข์มันก็เกิดตรงนั้นแหละถ้าเราอยากเป็นคนที่มีความทุกข์น้อยเราก็ต้องหมั่นคอยดูแลคอยรักษาคอยทำให้มันเจริญขึ้นก็ต้องทำให้มันได้บ่อย ได้หนึ่งหนึ่งได้อยู่ตลอดตราบใดที่เรายังมีลมหายใจเราก็ต้องทํานันแหละคอยสังเกตมันอยู่เรื่อยๆเห็นลมมันก็เห็นกายเรานี่แหละพอ ม, มีสติเห็นลมเห็นกายมันก็เห็นใจไปด้วยนั่นแหละว่ากายอันหนึ่งใจอันหนึ่งความคิดอันหนึ่งเราเราทำไมยังมีความทุกข์อยู่ มันก็คอยสืบเสาะไปนั่นแหละมันก็พื้นฐานมันก็อยู่ที่ตรงนี้นั่นแหละมันก็มาจากการที่เรามีสติคอยเห็นกายคอยเห็นใจนี่นแหละจะบอกว่าทั้งหมดคือเห็นลมเห็นกจเห็นใจเห็นความคิดมันก็คือทั้งหมดเหมือนกันแต่นั้นสำหรับคนที่เขาเป็นแล้วคนที่เขาพิจารณาดีแล้ว เขาแเห็นแค่นี้แหละแต่เรายังไม่ได้พิจารณาเรายังไม่เห็นตามความเป็นจริงได้อย่างดีเนี่ยมันก็ต้องหัดหัดดูหัด ส, สืบสอะว่าอะไรมันเป็นเหตุของความทุกข์ต้องหมันสังเกตห ม, มันดูหมันพิเคราะห์ตำราใหญ่มันอยู่ตรงนี้ ไม่ใช่ไปเปิดหนังสือเล่มไหนไม่ใช่ไม่ได้ไปจาสิ่งที่ใครเขาบอกมาดูของจริงให้มันรู้ตรงนี้แหละจาที่เขาพูดมันก็เอาไปไล่ไปคิดไปคิดก็ไปวาดฝันว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วมันถูกกับของจริงหรือเปล่า ก่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้เนี่ยก็ไม่ได้มีใครมาบอกเนี่ยว่าของจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงเป็นอย่าง น, น, ง น, างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ท่านก็ไปยามของท่านนั่นแหละก็ดูใจศึกษามันไปตั้งคําถามไปแล้วก็หาคําตอบไปสุดท้ายมันก็สรุปง่ายๆเลยว่าอะไรมันคือทุกอะไรมันคือเหตุเกิดทุกแต่ไม่ใช่ว่า เราฟังแล้วเราก็จะสรุปไปอย่างที่ท่านว่าก็ไม่ใช่อย่างที่ท่านว่ามันถูกนั่นแหละแต่ที่เราเป็นมันเป็นอย่างที่ท่านว่าอันไหนเราก็ต้องคอยละเอียดละ อ, อในใจเรานี่แหละบางครั้งมันเกิดมันไม่ได้มีตัวเดียวนี่มันจะมีคนคอยบงการอีกตัวเล็กตัวน้อยเต็ไมไปหมดนั่นเลย ว่าเราบอกเราเห็นตัวเดียวแล้วก็ต้องแก้ตัวนี้ทุกมันมาจากตัวนี้ตัวเดียวไม่ใช่ถ้าเราไม่ละเอียดเราก็ไม่เห็นแล้วแหละเห็นก็เห็นก็เอายับหยาบแล้วไปเหมาไปทั้งหมดไม่ได้เห็นก็ต้องเห็นเห็นอย่างนักตั้งคําถามว่ามันใช่หรือเปล่าจริงหรือเปล่า แล้วไอ้สิ่งที่เราคิดคิดถูกหรือเปล่าสิ่งที่เรากำลังคิดอยู่เนี่ยมันเป็นไปเพื่อความหน่ายความคลกําหนัดหรือเปล่าเป็นไปเพื่อความละวางปล่อยเว้นหรือเปล่าถ้าคิดแล้วมันส่งเสริมทำให้เรามีกำลังใจก็คิดไป แต่คิดแล้วมันท้อถอยคิดแล้วมันทำให้เราหมดกำลังใจแล้วก็ปล่อยให้เราคิดอยู่อย่างนี้มันก็ไม่ใช่และมันไม่ได้คิดถูกแล้วอันนี้แต่ทำไมไม่เห็นทำไมไม่เห็นตัวนี้แต่ถ้าเราคิดแล้วเราเห็นนี่อา้าวเมื่อกี้เราคิดคิดบาดท h o n กำลังใจ รู้แล้วนี่มันทุกทุกเพราะตัวนี้ทุกเพราะตัวนี้ก็ต้องแก้ตัวนี้ไม่ใช่ไปแก้ตัวไหนแก้ตัวเนี้ยมันคิดอย่างนี้เราก็ไม่สมัยใส่ใจมันออไม่ต้องไปใส่ใจแล้วทำไงเราก็เอาใจเราสมองเราความคิดเราไปอยู่กับอย่างอื่นสิมันจะมาอยู่เฉยเฉยมันจะหายไปได้ไง อยู่เฉยๆใจแล้วก็จ อ, อ, กอะกันมันอยู่อย่างนี้มันจะไปหายยังไงทุกมันไม่หายหรอกเราเติมเชื้อมันอยู่อยู่ในห้องที่ก็เปิดคิเตอร์ไว้เราร้อนแล้วก็นั่งทนนั่งอยู่แล้วหวังว่าห้องมันจะเย็นเป็นไปไม่ได้ก็ต้องออกจากห้องดิพอคิดแล้วมันเร่าร้อนคิดแล้วมันรุ่มร้อนก็ต้องหยุดคิดสิจะไปคิดตทำหม มันยังอยู่คิดไม่ได้เราก็ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นให้หัวสมองมันไปคิดอย่างอื่นก็เหมือนเราเอาตัวเราออกจากห้องนี่แหละไม่ใช่ว่านั่งเฉยๆเป็นตอไม้แล้วทุกอย่างมันจะคลี่คลายมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่เหตุในการแก้ทุกข์นะ เราก็ต้องรู้ว่าอะไรเป็นทุกข์แล้วเรายังอยู่ในเหตุของความทุกข์ยังคลุกคลีอยู่กับสภาวะแวดล้อมที่ทําให้เกิดทุกข์หรือเปล่าถ้ายัางอยู่มันก็ต้องมีแน่นอนและเรายังปล่อยให้มันดําเนินไปอยู่มันต้องทุกข์แน่นอนแล้วเราดําเนินไปอยู่อย่างนี้แล้วโดยหวังว่ามันจะ แก้ทุกได้ทุกจะหมดไปได้ปัญหาจะหมดไปได้ว่ามันไม่ใช่มันก็ผิดหลักการอยู่แล้วคนจะแก้ทุกมันก็ต้องหัดคิดพิจารณาไม่ใช่ว่าเออะเอะไรก็ดูแต่ลมหายใจลมหายใจมันเป็นพื้นฐานมันถูกต้องมันต้องทําอยู่แล้วแต่เออะเดูแต่ลมหายใจ มันไม่ใช่แต่คนที่เขาผ่านไปแล้วนี่เขาเข้าใจแล้วอะไรมันเป็นทุกข์ใจเขาไม่เกาะเกี่ยวกับเรื่องวุ่นวายเรื่องของเหตุของความทุกข์แล้วเนี่ยเขาดูลมหายใจมันก็ถูกของเขาอยู่แล้วเพราะเขาเห็นโทษแล้วเขาปล่อยวางได้แล้วแต่ถ้าเรายังพิจารณาได้ไม่ดี ได้ไม่จิตที่ท้วนได้ไม่เลยเหรออยังไม่ได้ถึงสภาวะความเข้าใจว่ามันเป็นทุกข์อะไรมันเป็นเหตุเกิดทุกข์ในเบื้องต้นในถ้ำกลางในที่สุดมันก็ต้องพิจารณาก่อนนี่มันเห็นก่อนแต่มันก็บนพื้นฐา น, น, นเดียวกันก็ต้องมีสติมีเครื่องผูกเอาไว้ก่อน เครื่องผูกสติของเราก็คือลมหายใจของเราหรือบริกรรมพุทโธก็ว่ากันไปแต่ไม่ใช่ว่าพอมีทุกข์ฉันถูกสอนมาให้ดูลมหายใจให้อยู่กับคําบริกรรมฉันก็ยืดแต่บริกรรมพุทโธยืดแต่ลมหายใจอันนี้มันเป็นแค่เครื่องหลบเฉยๆไม่ได้เครื่องแก้ทุกข์นะเป็นเครื่องหลบ หลบมันก็ดีนคนเรามันจะสู้แล้วมันจะต่อยอย่างเดียวเดินหน้าลุยเขาต่อยอย่างเดียวมันก็ไม่ถูกมันต้องหลบเป็นบ้างแต่ไม่ใช่หลบอย่างเดียวแล้วมันจะแก้ทุกข์ได้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเข้าใจเนี่ยเข้าใจมันว่ามันเป็นทุกข์เพราะอะไรคุยกับมันสอบทวนกับมัน ให้มันเข้าใจว่าอะไรมันเป็นทุกข์อะไรมันเป็นเหตุเกิดทุกข์จริงๆอะไรมันเป็นเหตุเกิดทุกข์ในเบื้องต้นของอันนี้ตัวละเอียดในท่ามกลางมันคืออะไรและตัวละเอียดละเอียดที่สุดมันคืออะไรก็ต้องดูให้มันเห็นไม่ใช่เห็นแต่ข้างนอกแล้วก็ตีเหมาว่าเราเห็นหมดแล้วถ้าเราดูไม่ละเอียดมันก็เห็นแค่นั้น แล้วก็ทุกอยู่อย่างนั้นแหละถ้ามันยังทุกอยู่แสดงว่าไอ้ที่เราเห็นเนี่ยมันก็ยังไม่ทั้งหมดมันก็ต้องมีตัวอื่นอีกที่มันยังทำให้เราทุกอยู่ไม่ต้องสอบทวนสอบสแสวงหาว่ามันคืออะไรอีกความคิดเราหรือเปล่าความคาดหวังเราใช่ไหมไอ้พวกนี้มันก็เป็นดาบสองดาบสามที่มันคอยตอกย้ำให้เรามีความทุกข์นั่นแหละ คนทาดีมันก็อยากได้ดีแ <derni> ต <alten> ่พอมันอยากดีเนี่ยมันก็มีทุกข์เหมือนกันอยากดีแล้วมันไม่ถึงดีมันก็เป็นทุกข์อยากดีแล้วมันยังไม่ได้ดีมันก็เป็นทุกข์ไม่ใช่ว่าคนดีแล้วมันทุกข์ไม่เป็นคนดีถ้ามันทําไม่ถูกมันก็เป็นทุกข์ได้ไม่ใช่ว่าฉันเป็นคนดีฉันจะไม่มีทุกข์ไม่ใช่ มันก็ต้องดีให้มันถูกดีด้วยนอกจากจะดีให้มันถูกดีมันก็ต้องดีให้พอดีด้วยดีมันจะถูกดีดีมันจะพอดีมันก็ต้องเข้าใจไงเข้าใจว่าอะไรมันเป็นยังไงมันถึงจะไปได้ดีอ่ะอย่างคนปฏิบัติธรรมเนี่ยใครๆก็อยากพ้นทุกข์ใครๆก็ไม่อยากทุกข์ ยิ่งคนคุกคลีปฏิบัติธรรมมากๆเนี่ยมันก็อะไรเอาใจไปผูกกับคำว่าพ้นทุกข์นิพพานเอาไปผูกกับสิ่งที่ยังไม่เคยเจอเอาไปผูกกับสิ่งที่คาดคิดเดาด้นเดาไปหน้าตาเป็นยังไงก็ไม่เคยเห็น อ่านไปก็ได้แต่จินตนาการแล้วพยายามจะทำให้มันได้อย่างที่เราคิดได้อย่างที่เราวาดฝันไว้มันถูกหรือเปล่าพรุทธเตรัสไว้ว่าอะไรก็ทำที่สุดแห่งทุกเงย ม, มีทุกตรงไหนแล้วก็รวยมันไปนั่นแหละแค่มันแก้ทุกได้ก็พอแล้ว ใครจะให้ชื่อว่าแก้ทุกตอนนี้ได้แล้วเรานิพพานอะไรก็ว่ากันไปมันเป็นเชื่อใครจะมายกย่องยังไงก็ได้แต่เรายังมีทุกข์อยู่มันก็ตอบตัวเองเราก็ยังมีทุกข์นี่แลแต่ไม่ต้องใครมายกย่องเลยแต่เราเป็นคนที่มีอะไรเราเข้าใจมันใจเรากระทบแล้วเราก็ปล่อยวางได้ มันจะกระทบกี่ทีเราก็ปล่อยวางมันทุกทีได้จะเรียกชื่ อ, อยังไงก็เรียกไปจุดสําคัญมันก็อยู่ตรงนี้ไม่ใช่ไปจุดสําคัญว่าฉันจะไปนิพพานเมื่อไหร่ถึงนิพพานเมื่อไหร่จะนิพพานทักทีไม่ใช่มันสําคัญมันอยู่ตรงนี้ว่าเรารู้รู้ไหมว่าอะไรมันกระทบใจเรา สำคัญอยู่ตรงนี้ว่ารู้ว่าอะไรกระทบใจเราใจเรามันยึดอยู่ไหมเราจะมีมุมมองเข้าใจมันยังไงให้เรามองทะลุลงไปให้มันถึงตามความเป็นจริงของมันแล้วใจเราก็ไม่เกาะไม่เกี่ยวกับมันปล่อยวางมันได้อันนั้นต่างหากของจริงของจริง เจ้านิพานมากองตรงหน้าเนยมันก็ไม่ต่างอะไรกันแหละแต่คนเรามันก็ปฏิบัติธรรมเอาแต่ชื่อนั่นแหละอยากมียศมีบัางเนี่ยฉันเป็นโซดาบันฉันเป็นสกัตถาคามีฉันเป็นอรหันต์ปฏิบัติธรรมเอาบ้างนะไอพวกนี้ก็ทุกไป แต่คนที่ปฏิบัติทำเอาทุกเนี่ยเขาไม่เอาบ้างหรอกครับเขาไม่มาเอาบ้างเราไม่ได้มาเอาสมมุติสมมติมันเป็นแค่สิ่งที่จะไว้สื่อสารกันนะ่ยแต่ไม่ใช่ไปยึดเอาตรงนั้นเป็นแก่นสารไม่ใช่เราปฏิบัติธรรมเราก็เพื่อเราอยากจะมีศักยภาพเพิ่มในการที่เราจะมาแก้ทุกข น, นี่มันสาระสาคัญมันอยู่ตรงนี้มีทุกข์เราแก้ได้มันก็ดีมันก็จบมิมีทุกข์ฉันก็ท้อ ม, มันมีทุกข์ตลอดเลยแต่มีคนเจอทุกข์แล้วย่อท้อต่อความทุกข์ให้ปฏิบัติทมไปอีกกี่สิบชาติกี่ร้อยชาติอีกกับหนึ่งวัตถกัปสังวิวัตกกัป งี้มันก็ไม่มีทางแหละนะคนที่มันจะพ้นทุกข์คือคนที่มันไม่กลัวทุกข์ไม่ย่นย่อต่อความทุกข์แต่ก็เป็นผู้ฉลาดผู้ฉลาดที่รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของความทุกข์เข้าใจในความเป็นจริงทำไมก็ถึงเรียกว่าอริยสัจ ก็คือความจริงเงินประเสริฐไงไอความจริงมันก็มีหลายอย่างใช่ไหมล่ะแต่ไอความจริงที่มันประเสริฐคือความจริงที่มันทําให้เรารู้แล้วเนี่ยมันทําให้เราพ้นทุกข์ได้เข้าใจในเรื่องของความทุกข์แล้วเราก็ปล่อยวางความทุกข์ได้เรื่องของความจริงอันนี้มันจึงเป็นเรื่องที่ประเสริฐไงไอความจริงที่ว่าเอยเมฆนะมันมาจากไอน้ําขึ้นไปพอมันเจอความร้อนมันควบแน่นกลั่นลงมาเป็นฝน อันนั้ก็ความจริงเหมือนกันแต่มันยังไม่ประเสริฐเท่านี้มันยังไม่ประเสริฐกับเราเท่านี้มันไม่ใช่ความจริงที่นำพาเราไปซึ่งเข้าใจความทุกข์เข้าใจเหตุเกิดทุกข์เข้าใจถึงความดับของทุกข์และเข้าใจถึงความทางเดินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เพราะนั้นนักแก้ทุกข์เขาไม่ย่นย่อต่อความทุกข์ ไม่ยอ่อท้อต่อความทุกข์แต่เขาก็ฉลาดฉลาดที่จะมองฉลาดที่จะเข้าใจมองทั้งข้างนอกเข้าใจทั้งข้างนอกมองทั้งข้างในเข้าใจทั้งข้างในไม่ใช่แต่มองเอาทั้งนอกอย่างเดียวหรือมองเอาแต่ใจอย่างเดียวเพราะนั้นก็ถึงใช้คำว่าโล ก, กวิถูนะผู้รู้แจ้งโลกแต่มันก็ไม่ได้รู้เยอะ ถึงขนาดเป็นสัมมาสัมพุทธะก็ได้แต่อย่างน้อยๆคนที่มันจะพ้นทุกข์มันต้องรู้รู้ทั้งข้างนอกและก็รู้ทั้งข้างในเพราะเหตุเกิดทุกข์มันไม่ได้มีแต่ข้างนอกแล้วก็มันไม่ได้มีแต่เฉพาะภายในแต่อย่างเดียวมันก็เป็นเหตุที่มันเอื้อกันนั่นแหละทั้งข้างนอกด้วยข้างในด้วยแต่เราก็รู้มันให้มันท่วนทั่วเหมาะสมแก่ตนก็พอ จะไปเอาทั้งตำรับตำรามามันก็ไม่ใช่ว่าตำรามันก็หลายคนหลายแบบหลายแนวอะ่ะเราเป็นคนที่มันจะมีหลายอุปนิสัยขนาดนั้นเลยมันก็คงไม่ใช่แต่เราก็ฟังไว้อันไหนเรามาใช้ได้เราก็ใช้อันไหนเราไม่เข้าใจก็พักไว้ก่อนก็ไม่เป็นไร เอาอันที่เราเข้าใจแล้วเนี่ยามาใช้แก้ทุกข์ให้มันได้แต่คำถามมันก็คืออา่ามันก็ดูเหมือนไม่เยอะนี่ตั้งเยอะตั้งแยะแล้วมันจะอะไรจะเอาอะไรจะหยิบอะไรมาใช้จะพูดเนี่ยมันกว้างขวางมันก็พูดได้เยอะแต่สุดท้ายไม่ว่าจะอุปนิสัยไหน มันก็ต้องมามองให้มันเห็นเหมือนเหมือนกันนั่นแหละก็เหมือนต้นไม้เนี่ยไม่ว่ามันจะอยู่กิ่งไหนกิ่งไหนมันก็มาจากลําต้นันเดียวกันทั้งนั้นมาจากตอมาจากรากจุดเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องสาวมันลงมาให้มันถึงแก่นของมันแก่นมันคืออะไรถ้าเราเข้าใจซะแล้วว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตามันควบคุมไม่ได้ ว่มันควบคุมไม่ได้มันก็เป็นทุกข์ไงมันดั่งใจเราเราก็อยากให้มันดั่งใจใช่ไหมพอามันไม่ได้ดั่งใจเราก็ไม่พอใจเราก็เป็นทุกข์เราอยากจะควบคุมให้มันได้มันก็ควบคุมไม่ได้ตลอดหรอกเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราเห็นถึงว่ามันไม่เที่ยงเราก็จะเห็นแหละว่าความไม่มีเก่นสารมันจึงปรากฏให้เราเห็นอนะ ความไม่มีเก่นสารไม่เป็นสาระแต่มันก็มีสาระเก่ยนสายของมันนั่นแหละในแบบสมมุติน่ถ้าเรายังอยู่ในโลกสมมตุติเราก็ต้องใช้อยู่แต่อย่าลืมว่าตายไปแล้วมันก็ไปกับเราไม่ได้แก่นสารที่มันจะมีสาระจนถึงขนาดที่เราตายไปแล้วมันยังมีแก่นสารสาระอยู่มันก็ไม่ใช่แต่เราเห็นถึงอย่างนั้นเนี่ยเราก็ใช้มัน ในแบบที่เรายึดติดน้อยลงใช้มันในแบบที่ให้มันมีทุกข์น้อยลงได้เราก็จะเห็นถึงสาระสำคัญว่าที่เราเดาเนินอยู่เนี่ยอะไรมันสำคัญแค่ไหนอะไรสำคัญมากอะไรสำคัญน้อยอะไรสำคัญหลังจากที่หมดอัตภาพนี้ไปแล้วก็ยังสำคัญอยู่ อย่างเงินเอ่ยสำคัญไว้สำคัญแต่มันก็สำคัญในแบบที่เราต้องใช้มันให้มันมีปัจจัยสี่มาบํารุงรักษาเรานี่แหละเราก็ต้องใช้มันเพื่ออะไรเพื่อมาหาความสุขทั้งตาหูจมูกลิ้นกายมันก็ใช่แต่ความสุขทั้งตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยพิจารณาดูแล้วมันมีสาระสำคัญ มากหรือสำคัญน้อยมันหมดแล้วมันก็ต้องหาใหม่หมดแล้วก็หาใหม่พอเสพมากๆเข้าก็ต้องหาให้มันมากขึ้นให้มันเยอะขึ้นวิธง่ายคือติดนั่นแหละ ย, ยิ่งเสพก็ยิ่งอยาก ความสุขทางการเนี่ยยิ่งเสพมันก็ยิ่งอยากแต่เราเคยไหมที่จะออกมาสัมผัสกับความสุขที่มันไม่เนื่องด้วยกามเป็นความสุขที่ไม่ต้องพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเราทำให้มันได้ดีได้บ่อยขนาดไหนทำมันจนเห็นสาระไหมว่าเออเวลาที่เราไม่ต้องพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วเนี่ยชีวิตเรามัน เบาสบายปลอดปโปร่งเหมือนได้หลุดออกจากโซ่ตรวนของการามคุณและทุกวันนี้เรารู้สึกไหมว่าเราถูกโซ่ตรวนของกรมามคุณมันผูกรัดเอาไว้อยู่ผูกรัดให้มันคล้องอยู่ถ้าเราเห็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็จึงหลีกออกจากการามได้ง่ายขึ้นปล่อยวาง อะไรๆ ไ, ได้ง่ายขึ้นความสุขที่เราจะทุ่มเทไปได้ทางกา ร, รมคุณโดยถ่ายเดียวเนี่ยแล้วก็ยังเป็นการที่เราจะต้องไปหาความสุขตามแบบสมมติของสังคมตามค่านิยมของสังคมเราก็ไม่ต้องเต้นแรงเต้นกาตามเขาไปมากจนเกินไปรู้ว่าอะไรคือความพอดีที่เราจะหาได้โดยไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไป โดยที่ไม่ซุ่มเสียงมากจนเกินไปไม่ฟุ้มเฟืยไม่สูรุ่ยสุร่ายจนเกินไปรู้จักอดรู้จัก อ, อมแล้วก็รู้จักที่จะหาความสุขในอีกรูปแบบหนึง่งที่เป็นความสุขอันสงบระงับแต่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นความสุขละเอียดประณีตที่เกิดแต่ในภายในของตน แล้วก็เป็นอันที่มันจะนำพามาซึ่งความรู้ความเข้าใจในเรื่องของโทษของกามความรู้ความเข้าใจในการที่เราหลีกออกจากกามแล้วมันมีประโยชน์ยังไงความรู้ความเข้าใจอันนี้มันก็ทำให้เราพัฒนาความสุขที่เรามีแต่การออกจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสให้มัน ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกเห็นโทษของวัตนี้ได้ดียิ่งขึ้นไปอีกแต่การเห็นโทษอย่างนี้อย่างเดียวถ้าเราเห็นอย่างเดียวมันไม่มีช่องออกเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีความรู้ให้มันยิ่งขึ้นไปอีกที่ว่าเห็นโทษแล้วแล้วเราจะทํำยังไงเห็นโทษแล้วแล้วอะไรเป็นเหตุของความทุกข์ หรือเหตุของโทษอันนั้นแล้วเราไม่ยุ่งเกี่ยวไม่คล้องแวะหรือใช้อย่างระมัดระวังพอเรารู้รู้ในแบบที่มันเป็นเราก็เห็นโทษเห็นคุณในแบบที่มันเป็นรู้ว่ามีคุณเท่าไหร่เลยจากตรงนี้ไปมีโทษยังไงเราก็อยู่กับมันได้เลยแหละ อยู่ในท่ามกลางความทุกข์โดยที่เราก็จะบอกว่าไม่ทุกข์มันก็คงจะไม่ถูกอยู่ท่ามกลางความทุกข์โดยที่เราเข้าใจมันยอมรับมันมันก็ทาให้เราทุกข์น้อยนั่นแหละทุกข์น้อยมันก็เป็นทุกข์ในระดับที่ร่างกายสัส่วนหนึ่ง ใจก็ส่วนหนึ่งแต่ก็คงจะส่วนน้อยลงไปอีกเยอะจะบอกว่าใจมันไม่กระทบกระเทือนเลยมันก็คงไม่ถูกตราบใดที่มันยังมีขันห้าเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องกระเทือนใจอยู่แหละแต่แน่นอนไอ้ความรู้ความเข้าใจที่เราสั่งสมมาเลยมันก็ทำให้เราก็เหมือนเราจับฐานแหละเขายื่นฐานแ ด, แดงมาให้เราจับพอเราร้อนเราก็ต้องรีบปล่อย จะบอกว่าชีวิตนี้เราจะไม่กรรมฐานาแดงๆเลยมันก็คงจะไม่ใช่ศาสตร์ใดที่เรายังมีมืออยู่นี่มันโอกาสที่มันจะต้องโดนฐานาแดงๆมันต้องมีบ้างละ่ะหรือไม่โด น, าน่านแดงแล้วไปจับอย่างอื่นบาดมือบ้างทิ่มตำมือบ้างมันก็ต้องมีแต่เรารู้แล้วว่ามันเป็นแผลมันเป็นอะไรเราก็ปล่อยแต่คนทั่วไปไงรู้แล้วก็ยังกรรมไว้อยู่ใครเอามาให้ฉัน ใครมันเอามาให้ฉันแล้วมันเป็นฐานชนิดไหนมันร้อนกี่องศามันทำให้มือฉันไหม้ไปกี่ส่วนแล้วอย่างคนทั่วไปมันก็เป็นอย่างนั้นไม่รีบปล่อยแต่คนที่รู้พิจารณารู้ดีแล้วเนี่ยเขาก็รีบปล่อยเห็นว่าเป็นทุกข์มันก็ปล่อยแต่ไม่ใช่ว่าทำเสมือนคนไม่มีมือไม่ใช่ ปฏิบัติทำไปแล้วมันไม่ใช่เป็นก้อนหินที่มันจะไม่รู้สีรู้สาอะไรไม่ใช่มันก็รู้เนี่แหละรู้เหมือนปกตินั่นแหละจะรู้แล้วก็รีบปล่อยรู้แล้วก็ช่างมันรู้ว่าความคิดดีเราก็ทำรู้ว่าความคิดไม่ดีเราก็หักห้ามใจเราได้รู้ว่าคิดไม่ดีเราก็ไม่คิดต่อก็ได้คิดไม่ดีเราก็ไปคิดอย่างอื่นไปทำอย่างอื่น